เอ่อสมัยบรรนี้ก็เลยขออนุมัติเรื่องการปฏิบัติสถิงความเป็นสาราณาคามิมรรคสิ่งการสืบต่อจะวงก่อนตรัสว่าบรรดาพระพุทธบริษัทจะศึกษาในการปฏิบัติหรือว่าเวลาที่น้อมจิตเพื่อพิจารณาพระธรรมฐานได้การปฏิบัติ ตามแบบฉบับที่ก็ปฏิบัติกันมานั่นอันดับแรกให้โยนต้นไว้เสมอเพื่อสงอารมณ์ให้เป็นปกติคนแห่งการปฏิบัติที่จะมีผลจริงๆนี่เราหมายถึงว่าเอาผลกันจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าทํานั่นเขาใช้อารมณ์พิจารณาเป็นสําคัญ การใช้อารมณ์ภาวนานี่เป็นการยับยั้งจิตไม่ให้มีอารมณ์ฟุ้งซ่านเท่านั้นเองเพียงเท่านั้นการยับยั้งจิตให้มีอารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์ของฌานเป็นบันไดที่จะก้าวเข้าไปสู่วิปัสสนาญาณการส่งจิตเป็นฌานยังไม่ใช่มรรคผลตะท้วเราก็จะทิ้งไม่ได้ นักปฏิบัติต้องประกอบกิจ 3 อย่างป้องกันคือ 1 อาทิจิตสิกขามีศีลบริสุทธิ์คําว่าศีลบริสุทธิ์นี่ไม่ใช่สักแต่ว่าบริสุทธิ์เฉพาะมันนั่งภาวนาต้องบริสุทธิ์ตลอดอย 24 ชั่วโมงอาทิจิตสิกขาต้องมีสมาธิส่งตัว ให้จิตน้อมอยู่ในด้านของกุศลตลอดเวลาธรรมะสมาธิประการตั้งใจว่าตั้งใจไว้เฉพาะจุดเดียวคืออารมณ์ที่เป็นกุศลอารมณ์ที่เป็นกุศลนี่มีมากอย่างจะเป็นอะไรก็ช่างตามที่เราต้องการจุดนั้นเราจะนึกไว้เสมออธิปัญญาศีลภาวนาพิจารณาตามแบบฉบับ ในระดับของสังโยชน์ที่เราจะปินตัดแล้วก็มีอารมณ์ส่งอารมณ์ที่เป็นกุศลจําที่ต้องเข้าถึงในขณะนั้นถ้าอารมณ์ส่งตัวแบบนี้หมายความว่าจะขณะใดที่เราจิตคิดอยู่ในได้ของกุศลเพราะนั้นนั้นที่ว่าจิตโปร่งศีลสอสมาธิ แล้วถ้ามีปัญญาพิจารณาหาความเป็นจริงจากขันธ์ 5 ชราที่ทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ประนังที่ทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสเป็นต้นความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ ความรักชาติจากของตนรักของชอบใจเป็นทุกข์รู้จักว่านับตั้งแต่เกิดมาถึงวันตายไม่มีอะไรเป็นสุขแล้วทุกข์ตัวนี้มาจากไหนทุกข์ตัวนี้มาจากตัณหาหรือความที่ญาณอยากจิตติดติดอยู่ในโลกิวิสัย มีอุปาทานเป็นเครื่องยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราด้วยเมื่อรักติดยึดมั่นถือมั่นในร่างกายว่ามันเป็นเราเป็นของเราก็เลยลืมความตายเมื่อลืมความตายจิตก็ประกอบไปในความชั่วที่เรียกว่าอกุศลคําว่าอกุศลนี่ครับแปลว่าไม่ฉลาด สร้างกรรมที่มันเป็นปัจจัยความเดือดร้อนทั้งเราและพวกคนอื่นอย่างนี้เป็นอกุศลอารมณ์ของเราจะไม่ต้องไม่ไม่จับอย่างนี้เจตต้องทําลายความอยากประเภทนี้เสียใช้ปัญญาพิจารณาหาความเป็นจริงจากขันธ์ 5 ว่าขันธ์ 5 มันเป็นเราจริงหรือหรือว่าเป็นของเรา อ่ามันเป็นเราจริงเป็นของเราตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้แล้วเคยคิดอยากจะตายบ้างมั้ยเคยคิดอยากจะปล่อยบ้างมั้ยคิดอยากให้ร่างกายมันร้อนจัดมีบ้างมั้ยคิดอยากให้ร่างกายมันหนาวจัดมีบ้างมั้ยแล้วคิดบ้างหรือเปล่าว่าเราต้องการการกระทบกระทั่งจากคําวาจาของบุคคลอื่นที่เป็นที่ไม่ทอกใจของเรามีบ้างมั้ย รู้ว่าเราต้องการการกระทำขององค์คนอื่นที่ไม่ถูกใจเรามีบ้างไหมถ้าการอย่างนี้จิตเราไม่เคยคิดอยากจะได้แต่ว่ามันมีบ้างเวลาถ้าการอย่างนี้มันปรากฏกับเราไหมถ้ามันปรากฏก็แสดงว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแม้แต่รมที่เราทรงอยู่ปรารถนาอยู่มันก็ไม่เป็นสิ่งที่ควรปรารถนาของเรา นี่ใช้ปัญญากันแบบย่อๆเรียกว่ามีปัญญาถึงเชื่อพิจารณาในการตัดตัวเกิดและการตัดตัวทุกข์ถ้าตัดตัณหาได้มันก็ทุกข์ตัดทุกข์ได้ถ้าตัดตัณหาไม่ได้มันก็ตัดตัวทุกข์ไม่ได้ตัณหาที่มีความสําคัญที่สุดก็คืออยากเกิดฐานะใดที่มีความอยากเกิดอยากทรงอยู่ไม่อยากตาย ขณะนั้นไม่มีทางยังต้องเกิดรับทุกข์ต่อไปจนกว่าจะมีปัญญาเจริญญาณทราบทางความเป็นจริงเรื่องนี้ขอยกไว้ที่ก่อนที่เราจะพูดกันถึงพระอนาคามีย้อนถอยหลังไปอีกนิดเพื่อการที่จะทรงอารมณ์เป็นพระโสดาบันเข้าทรงในกรรมฐานอะไรบ้าง ธรรมฐานนี่ทั้งหมดนี่ไม่ต้องไปนั่งหลับสายก็ได้ให้จิตมันนึกไว้เสมอลืมตาอยู่สงบอารมณ์อยู่ให้มันนึกไว้เสมอเวลาทํางานทํากายก็ทําไปจิตอยู่ในการงานเวลาจะพูดเรื่องอะไรที่เป็นสาระก็จิตอยู่ในเรื่องของการพูดหยุดพูดหยุดทําน้อมจิตคิดถึงอารมณ์ต่อไป บุคคลที่เป็นประสูลด่าบันตัสกายทิฏฐิเล็กน้อยนั่นก็คือนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ความเมาในชีวิตในร่างกายยังมีอยู่แต่ไม่ลืมความตายยังรักสวยยังรักงามแต่เดาว่าก็คิดไว้ความสวยความงามนี้ไม่ช้าก็พังสลายตัวไปก็มีอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าการตายของนี้จะต้อง ถ้ามันจำจะต้องเกิดจริงๆก็ให้มันเกิดดีกว่านี้เมื่อเนื้อแท้จริงๆแล้วเราไม่ต้องการความเกิดสิ่งที่เราต้องการคือพระนิพพานถ้าอรมณ์จับนิพพานหรือถึงนิพพานอย่างนี้ท่านเรียกว่าอุปัสสมานุสติธรรมะการนึกถึงความตายเว้นแต่ปกติเรียกว่ามรณานุสติธรรมะ เมื่อจิตเราจะปรีผ่านแล้วแล้วก็ต้องดูต่อไปว่าไอ้คนที่จะก้าวเข้าไปสู่นิพพานเขาใช้อะไรบ้างไปเบื้องต้นอันดับแรกก็นึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐานยอมรับนึกถึงคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมานุสติกรรมฐานยอมรับคุณสมบัติที่ทรงซึ่งความดีไว้ของพระองค์ เอ่อว่าสังฆาณสติกรรมฐานแล้วว่าจิตใจของเราตั้งไว้ใจใสไว้เสมอว่าจะทรงศีลให้บริสุทธิ์เพราะถ้าศีลของเราไม่บริสุทธิ์เราก็ต้องมีโอกาสไปอบายภูมิขึ้นชื่อว่าอบายภูมิทั้ง 4 มีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเราไม่ยอมไปเราจะไม่ไปได้ก็เพราะอาศัยมีศีลบริสุทธิ์ มีกำลังใจควบศีลที่ควบคุมศีลอยู่เป็นปกติไม่คลาดจากจิตอย่างนี้เรียกว่าศีลานุสติกรรมฐานแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าศีลนี้จะส่งให้ได้เพราะอาศัยแรงผู้ควบคุมก็เพราะอาศัยภูมิภาร 4 ถ้าเรามีภูมิภาร 4 แล้วศีลมันไม่พกพ้องสมาธิก็ส่งตัว อย่างนี้เราสั่งพรหมวิหาร 4 ด้วยกรรมฐานก็เรียกว่ามีหาร 4 ตรงตัวตอนนี้พรหมวิหาร 4 ที่จะทรงได้ดีจริงๆอาศัยอะไรเป็นสําคัญอาศัยศีลิละอตัปปะคืออีริความอายต่อความชั่วอตัปปะเกรงกลัวผลของความชั่วใจโทษเป็นทุกข์เออการอย่างนี้เมื่อจิตทรงอยู่ได้อย่างนี้จริงๆก็ชื่อว่าเราเป็นพระโสดาบัน นี่ก็จริงไม่ต้องไปนั่งหลับตายก็ได้แค่จิตมันส่งอารมณ์อยู่อย่างนี้เป็นปกตินั่งหลับตาอ่านตำราฟังเทศคนเลิกแล้วจิตนี้อยากจะอิจฉาคนนั้นอยากจะด่าคนนี้อยากจะว่าคนนั้นอย่างมีการแกล้งคนนี้อย่างนี้หลับตาไปสักกี่แสนชาติมันก็ลงอบายภูมิทุกชาติไม่เกิดประโยชน์ hon. 콘เลรถจะเกิดจริง ๆ ก็คืออารมidity คาร Jur toda hon. สาfe OF hata became the ION! นิปล mud аккуj Yesterdays. inteil that was let the Caballau grande zwinsва Of its moral nature,ged buying text. how to gather this government to border together. สนธิกรοι樫,幼티�� Kaballamist,幼 Morris Postman Saturdays. représent пред surprising NOBGATE. แล้ว,赦 comラム study Pritud. ทุกอย่างนี้เอามาส Byteof, tons was never done done. ไหรก أ nombre Was Humph gifted priver than their God shortage of human goods. แล้วก็ todas sellers. omedical everybody into it. ค staging. ��록 Saber hit. 是 khat dem. อารมณ์จะเป็นขนาดไหนก็ตามเราจะไม่ยอมรับเมื่อสิ่งทั้งหมดตามที่กล่าวมาจิตมีสภาพส่งตัวจิตมีสภาพส่งตัวหมายคิดอยู่เสมอนี้อย่างนี้เค้าเรียกว่าฌานฌานนั่งหลับตานักฌานไม่จริงมันต้องฌานลืมตาหลับตาลืมตามีสภาวะจิตเสมอกัน ทำกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ตามอารมณ์จิตมีความเยือกเย็นตามที่กล่าวมาแล้วอารมณ์ที่กล่าวมาแล้วนี่เป็นอารมณ์ของความเยือกเย็นเมื่อทรงตัวได้อย่างนี้เป็นปกติแท้เขาเรียกว่าพระโสดาบันไม่เห็นจะมีอะไรยากตอนนี้สําหรับพระสกิทาคามีมีอารมณ์เช่นเดียวกับพระโสดาบันถ้าสกิทาคามีมรรค ก็เพิ่มกําลังรวบรวมกําลังจิตที่เป็นภูมิขันธ์ 4 ให้ทรงตัวแข็งเกร่าขึ้นรู้ว่าปุโสดาจะมีความรักในเพศจะมีความโลภอยากรวยถึงแม้จะเมตตินจะมีความโกรธจะฆ่าเขาไม่ได้ตีเขาไม่ได้เพราะเกรงศีลจะขาดจะมีความพยายามจองล้างจองปลานแต่ไม่ทํา ยังมีความหลงไหลไปฝันในรูปโสนนพันธุ์แต่ไม่ลืมความตายจะเห็นว่าอารมณ์ของพระโสดาบันไม่มีอะไรมากเป็นชาวบ้านชนดีตอนนี้มาพระสิกขาคามีศรัทธาคามิมรรคน่ะยังไม่ผลสิกขาคามิมรรคก้าวขึ้นมาอันดับแรกจิตเราก็ส่งพรหมวิหาร 4 เป็นกรณีพิเศษ นอกจากจะโกรธแล้วไม่ทําอันตรายเค้าในด้านประสบดาบันกําลังใจสูงขึ้นเป็นอัปยยทานใครก็ทําให้เราโกรธแล้วเราโกรธไม่ใช่ไม่โกรธถ้าสิกขทาคามียังมีโกรธแล้วโกรธแล้วก็คิดจองด้วยยังมีการจองผูกโกรธเอาไว้ตอนนี้กําลังใจส่วนหนึ่งมันแทรกสูงขึ้นมา ที่ from the Hansa เมื่อได้กลับเมื่อเวลาใครก็ทําความไม่ดีให้เราโกรธที่ที่ไม่ถูกใจก็แล้วมีก่ออารมณ์คลายโลภมันก็ช้าหน่อยไม่ได้คลายทันทีท่านเน็บน้อมเราบริกิรอ๋อกุนทีก็ทําในโกรธที่เราหน้าสงสารเพราะคนที่ทําความชั่วนี่เป็นเหยื่อของอบายภูมิ ก็ต้องตกนรกมันแสนจะลําบากร้อนก็ร้อนไฟร้อนก็ไฟทําันดาลหลายล้านเท่ายังมีสรรพัพพุตตสัพพันอีกนี่เขาต้องมีโทษหนักทุกข์เวทนาหนักพ้นจากนรกมาเป็นเปรตแสนจะลําบากนับได้พันได้หมื่นแสนชาจึงกว่าจะพ้นถึงหมื่นสายกลับลงไม่ชาแล้วต้องมาเป็นอสุรกายเต็มด้วยความหิวโหย ต้องมาเป็นสิทธิเฉฉาลซึ่งไม่มีใครให้สิทธิใดๆทั้งหมดอาจจะพอทนครบปล่อยให้อดตายบ้างถูกคุณเองนั่นเองรายไม่มีกฎหมายจะเครื่องควบคุมคิดคิดว่าคนที่มีอารมณ์ชั่วอย่างนี้เป็นคนที่น่าสงสารปล่อยเขาตบมือไปข้างเดียว ให้ขอชั่วฝ่ายๆที่เราไม่ยอมชวนด้วยกรรมใดที่เขาทําให้เป็นเครื่องเจ็บใจสะทุรเป็นใจเราให้อภัยอย่าลืมว่าให้ตอนให้อภัยตรงนี้ดีกว่าจะให้ได้ที่ต้องใช้เวลาทรงวัน 3 วันหรือ 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงถ้าเร็วเข้ามามันมีอย่างดีโกรธจึงมีพยาบาทแต่ก็มีอารมณ์ให้อภัยได้ท่านไม่ถือโทษไม่เอาผิดกับเขาให้อภัยเขา แต่อย่าลืมนะว่ายังมีความโกรธจะมีความเสบัดนี่เป็นสกิทาคามีมรรคเบื้องต้นนี้สกิทาคามีมรรคเบื้องปลายตามพระบาลีท่านบอกว่าพระสกิทาคามีมันเฒ่าความโลภมันเฒ่าความโกรธมันเฒ่าความหลงมันเฒ่าตรงไหนทำยังไง มันดาวทําโลภก็บรรเทาความโลภแล้วก็มีจาคานุสติสัมฐานเป็นกําลังใจแทนที่จะโลภอยากได้กลับเป็นอยากให้เขาการแสวงอาชีพเพื่อสมาชีวะถ้าไม่กล่าวว่าเป็นความโลภได้มาอารมณ์ใจคลายในการกิจเป็นสมบัติการหามาเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวและสามีภรรยานี่ความจําเป็น ต้องหาการหาได้สมาชีวะโทจ้างเราให้กันเดือนถูกแล้วก็ให้กันเดือนแปลงเราทําความดีไม่ใช่ความโลภการค้าขายลงทุนน้อยได้กําไรมากมายฐานะสูงขึ้นแต่ว่าเป็นการค้าเป็นเป็นไม่ได้ความสุจริตไม่ใช่ของเหลวมันบอกก็เป็นของดีการซื้อขายบอกราคากันตามปุถุติเค้าพอใจเค้าก็ไปได้กําไรมากก็ได้กําไรน้อยไม่สําคัญ ญาณนี้มีที่ว่ามีความโลภเป็นสมาธิวิวะทีนี้สําหรับทรัพย์สินที่ได้มาเพราะโสดาบันยังเกาะมาแต่ว่ามาถึงพระศีลทาข้ามนี้นึกถึงเสมอเมื่อชีวิตอยู่จําเป็นจะต้องใช้ต้องหาแต่อารมณ์หนึ่งคิดว่าไอ้เรากับมันนี่ไม่ใช่กับจากกันไม่ช้าไม่มันก็เราไปข้างๆนี่ อนาคามีวันนี้น่าควรไปดูจิตใจมันก็เฝ้าจัดการยึดไม่ใช่ว่าเฝ้าจัดการหาหาตามปกติถ้ายึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราเรากับมันจะนอนกอดกันอยู่ตลอดเวลาไม่ตายจากกันไม่พรากจากกันอันนี้ไม่มีคิดไว้เสมอว่าเรากับมันนี้ไม่ช้าก็สลายต่างคนต่างไปก็มีกําลังใจคิดที่โดยไม่ความไม่สมาธิ เสวยความโกรธพระนาคามีทุกข์เข็งขัดด้วยวิกรมดิหาร 4 ในด้านอภัยทานถ้ามีอภัยทานมันมันเผาลงแล้วความโกรธมันเผาไม่ใช่หมดมันด้านความหลงในร่างกายก็ก็พิจารณาแล้วนี่ว่าไอ้ร่างกายนี่มันสวยสดงดงามก็จริงแต่แต่ที่ว่ามันเต็มไปด้วยความสุขกับโศกโศกไม่มีการสงตัว ตอนนี้ก็ต้องใช้กายคตานุสติอสุภกรรมฐานมีอารมณ์เข้มแข็งขึ้นเป็นอันว่าพระสิกขิทาคามีต้องเพิ่มจาคารนุสติกรรมฐานเข้ามาในด้านสมถภาวนาเพิ่มโสมนิหาร 4 ให้มีกําลังสูงขึ้นแล้วก็เพิ่มกายคตานุสติกาสุปกรรมฐานรวมรวมรวมเข้ามาอีก เป็นกำลังใจเป็นปกติจิตก็พร้อมจะคิดว่าอาการร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราโรคเป็นของไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์เมื่อไปสอดถึงต่อสันหลายตัวเราจะไปนั่งมัวเมาในทรัพย์สินยศถิดว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่เพื่อประโยชน์อะไรแต่ก็ยังเกาะแต่ก็ปล่อยง่ายให้ง่ายสงเคราะห์ง่ายให้อภัยท่านง่าย ในร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหมดเต็มไปด้วยความสุขทุกข์แต่บางครั้งมันก็สวยบางครั้งก็เป็นที่ปรารถนาแต่จิตถอยออกมาหาได้ง่ายๆยังไม่ถึงก็หมดเลยนี่เป็นนิสัยของพระสิทธาคามีนี่ว่าสิทธิธาคามีผลถ้าจิตส่งได้แบบนี้อ้าวเวลามันจะหมดเสร็จแล้ว เป็นอันว่าพระเรื่องอนาคามีก็เลยยังไม่ต้องพูดกันซึ่งสมัยสมนี้ถึงว่าถ้าเราจะปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสกิทาคามีนี้ถ้าตายตื่นขึ้นไปอย่างนี้มันไม่ยากก็ขึ้นไปทีชั้นไปถึงอนาคามีแล้วอนาคามีเพิ่มอะไรเสพคุณลมมีมาแล้วทั้งหมด ขณะมีสิ่งที่เพิ่มสําคัญที่สุดในด้านสมถะภาวนาสําหรับวิปัสสนาภาวนาเนี่ยต้องเป็นไปตามปกติคือพิจารณาสันธาว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตามที่กล่าวมาให้จิตมันทรงตัวเมื่อสันธาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตัวนี้มีกําลังทรงตัวมากขึ้น อารมณ์ที่เพิ่มต้องเข้ามาพิจารณาอีกนั่นก็คือสกายะกายคตานุสติกาสุปกัมมถานตอนนี้ต้องมีอารมณ์ส่งตัวส่งตัวมากขึ้นกว่าปสิฏฐาธรรมิเพราะเป็นการตัดกามราคะให้เด็ดขาดควบกับวิปัสสนาญาณแล้วก็ใช้พรหมวิหาร 4 ศีล 4 เคร่งครัดยิ่งขึ้น คำว่าเครื่องนี้มันจะนั่งหลับตาทั้งคืนทั้งวันถึงใช้ไม่ได้หลับตาทั้งคืนทั้งวันนี่ใช้ได้ต้องอารมณ์ปกติแล้วมันมีความรู้สึกอยู่คืออารมณ์ปกติคือว่ากายร่างกายสกปรกมันเป็นชื้นเหงียนท่อนเหมือนกับส้วมเดินได้ แล้วก็ใช้กายโกรธกันพยายามกันไม่มีประโยชน์อะไรคนเต็มไปด้วยความทุกข์คนต้องแก่แล้วต้องตายมันได้เจ็บอยู่แล้วก็มีความทุกข์ไม่ควรจะทํากันเป็นอันว่าเรื่องพระอนาคามีนี้นั้นเอาไว้วันโคนนี้เวลาพูดหมดแล้วต่อทีนี้ไปกับบรรดาพระพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มั่นกําหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเวลาหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้า เวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกไม่ใช้คำภาวนาและพิจารณาธรรมอธิญาสัยยิ่งกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกบทเวลา